พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าอนมาุมัตสีเชษฐบุรุษบุรุษผู้เจริญของโลกเป็นรับผู้องค์อาจกล้าหารทรงชำนะกิเลสประทับนั่งท่ามกลางภิกษุสงฆ์ทรงยิมย้มยิ้มภิกษุนามว่าวรุณอุปถากของพระาศาสดาพระนามว่าอนมาุมัตสีห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นโล ก, กนายกว่า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 ประสงค์จะฟังพระสัตรธรรมจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหมูทวยเทพผู้มีฤทธิ์มากในหมื่นโลกธาตุประสงค์จะฟังพระสัตธรรมจึงพากันเข้าไปเฝ้าพระสัมพุทธเจ้าจะตุรงคเสนาคือพลช้างพลมา้าพลรถพลเดินเท้าเวทล้อมท่านผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งการทมพุทธบูชาก็แปลว่าภาษารีบุตรนี้จะมีกองทัพห้อมล้อมอยู่เสมอ อันนี้ผลของพุทธบูชาก็จะไปที่ไหนก็มีแต่ผู้คอยปกปักรักษาคอยดูแลอยู่ตลอดดนตรีหกหมื่นกลองที่ประดับสวยงามจับบำรุงผู้นี้เป็นนิดนี้เป็นผลแห่งพุทธบูช า, านะครับว่าจะไม่ว่างจากเสียงดนตรีเหมือนกันนะก็ได้จะได้ฟังบรรเลงเพลงเพราะเหงือนกัน หญิงล้วนแต่สาวๆประมาณหก0ม0ประดับประดาสวยงามมีผ้าและเครื่องอาภรณ์วิจิตสวมแก้วมณีและกุลทนมีหน้าฉลมยิ้มเย้ยนะจักห้อมล้อมท่านผู้นี้นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าผู้นี้จักเรื่อนรมอยู่ในเทวโลกตลอดแสนกลับจักได้เป็นพระเจ้าจากักพัปติราชในแผ่นดินพันครั้งจักเป็นจอมเทวดาสเสวย ร, ราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง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 นะพอได้ฟังให้เข้าเลยไปที่ไหนก็อยากสวดมนต์เยอะๆ น, อนะจะได้อิติปิโสพัควาอารหังสัมมานนะจะได้บุญเยอะๆหน่อยไม่งั้นะเดี๋ยวก็ได้บุญนิดเดียวได้กราบได้ไวาคนะขันถึงที่สุดแห่งพบสุดท้ายผ่านไปแสนอสงไขเออหนึ่งอสงไขยแสนกลับถึงความเป็นมนุษย์พยากรณ์เลยว่าจากคลอดจากคันแห่งนางพรามณีชื่อว่าสารีเนี่ยนะ นรผู้นี้จักปรากฏตามชื่อและโครของมารดาเลยมีชื่อว่าสารีบุตรลูกของนางสารีเนี่ยนะที่บ้านไหนนารกะคานีนะากะคาที่เกิดกที่ที่คลอดกะที่ตายของท่านที่เดียวกันเนี่ยนะไปง่ายนะอยู่แถวที่นารันทาพระสารีบุตรนั้นจักมีปัญญาคมกล้าจักเป็นผู้ไม่มีความกังวล ในชาติสุดท้ายนั้นท่านจะทิ้งทรัพย์ประมาณ80โกดแล้วออกบวชจากเที่ยวแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินนี้ น, น, นะแสวงหาสันติบททั่วแผ่นดินภาษาลิบุตรเป็นนักท่องเที่ยวแสวงหาอาจารย์ถามว่าทำไมเพราะว่าไม่ใช่ฐานะของสาวกที่จะตรัสรู้โดยลําพังท่านจะไม่ไปแสวงหาข้อปฏิบัติโดยลําพังเพราะท่านรู้ว่าไม่ใช่วิสัยของท่านท่านก็เลยแสวงหาอาจารย์ทั่วแผ่นดิน สกุลโอกากะสมพบในกับอันประมาณไม่ได้นับแต่กับนี้พระศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะหรือโคดมโดยพระโคดจักมีในโลกนะซึ่งพระองค์ก็ได้พยากรนะใช่ไหมพยากรพยากรใครพยากรณ์ยักษ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตอนชาตินั้นพยากรศาสดาด้วยพยากรสาวกเอาไว้ด้วยอีกหนึ่งอสงไขบมัน พระศาสดาพระนามว่าโคดมได้มีขึ้นท่านผู้นี้จักเป็นโอรสอรุรสแปลว่าผู้เกิดจากอกเป็นธรรมทายาตในโพธิปัจขยธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้นอันธรรมะเนรมิตรแล้วเนี่ยนะคือคุณธรรมทั้งหลายอภิเศกขึ้นจักได้เป็นอักระาสาวกมีนามว่าสารีบุตรเปรียบอุปมาพัปัญญาภาษาสารีบรว่า แม่น้ำคงคาชื่อว่าภาคีรถีนี้ไหลมาแต่ประเทศหิมมวันแม่น้ำคงคานั้นย่อมไหลไปจนถึงมาหาสมุทรยังห่วงน้ำใหญ่ให้เต็มฉันใดพระสารีบุตรผู้นี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้อาถรรพ์แกล้วกล้าในพระเวท ส, สามถึงที่สุดแห่งปัญญาบารมีจากยังสัตว์ทั้งหลายให้อิ่มน้ำสำราญก็คือคือพระสารีบุตรเนี่ย ท่านแสดงธรรมลังไห้ดุดกระแสน้ํำยังสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เอิบอิ่มพระนลกล่าวว่าตั้งแต่ภาษาริบุตรปรินิพานเนี่ยทิศ ท, ทั้งหลายไม่ปรากฏแก่ท่านเลยว่า ง, งั้นพระองค์ก็ถามว่าอา้าสารีบพรพาเอาศีลนิพานไปด้วยใช่ไหมพาเอาสมาธิพาเอาปัญญานิพานไปด้วยใช่ไหมอา้าไม่สบายใจทําไม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 ตั้งแต่สมมติว่าตั้งแต่นประเทศเนปาลไหลทะเลนู่นนะ่ะกี่เมด็ดดทรายทรายนับไม่ถ้วนด้วยการนับเม็ดทรายนั้นก็ไม่อาจที่จริงเม็ดทรายนั้นก็อาจนับได้โดยไม่เหลือฉันใดทรายเหล่านั้นเนี่ยยังพอนับได้ถ้าเทียบกับที่สุดแห่งปัญญาพระสารีบุตรนั้นจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเมื่อตั้งคะแนนเอาไว้ตั้งวิธีคำนวณเอาไว้ทรายในแม่น้าคงคาพึงสิ้นไปฉันใด แต่ที่สุดแห่งปัญญาของพระสารีบุตรจักไม่มีเลยฉันนั้นน่ยนะฮะอันนี้เกิดจากอะไรชมเชยพระยานของพระพุทธเจ้าคลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไม่ท้วนฉันใดนับคลื่นทะเลนันบหมดไหมระลอกแล้วระลอกเล่าระลอกแล้วระลอกเล่าที่สุดแห่งปัญญาพระสารีบุตรจักไม่มีฉันนั้นเหมือนกัน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 จริงก็คิดดูนะโอ้ยทาบุญไว้นานนะกว่าบุญเหล่านั้นจะให้ผลทำจนลืมแล้นะบุญจริงตามมาให้ผลกรรมที่เราได้ทําไว้แล้วประมาณไม่ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงผลแก่เราณที่นี้บัดนี้เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วเผาราคะด้วยอรหัตมรรมเผาโทสะด้วยอนาคามีมกักเผาโมหะด้วยอรหัตมรรคแล้วเปรียบเหมือนกาลังลูกศร อ, อันทลแล้วด้วยดี บทนี้เรานี้สแสวงหาบทอันปัจจัยไม่ปรุงแต่งคือสแสวงหาบทที่ดับปัจจัยปรุงแต่งสแสวงหาพระนิพพานที่ดับสังขตะธรรมเป็นนิพพานที่ดับสนิทเป็นธรรมที่ไม่หว่นหวาค้นหาจากลับที่ทั้งปวงอยู่ท่องเที่ยวไปในภพอุปมาเหมือนว่าคนเป็นไข้พึงสแสวงหาโอสถจำต้องสั่งสมซัพย์ เอาไว้ทูกอย่างเพื่อพ้นจากความป่วยไข้ฉันใดเราก็ฉันนั้นแสวงหาบทเพื่อดับปัจจัยตรุงแต่งคือพระนิพพานเป็นที่ดับสนิทเป็นธรรมที่ไม่หวั่นไหวได้บวชเป็นฤาษี500้ครั้งไม่ขั้นเลยไม่มีอะไรขั้นเลยก่อนหน้านี้พระสารีบุตรบวชติดติดติติกันมา500ชาติ500อชาติแล้วโดยมากไปเกิดเป็นพรมส่วนใหญ่500้ชาตินั้นติติติติกันถอยหลังแม้ชาติเป็นพระเวสสันดรนั่นคืออะไร อจจุตตะรืีเนี่ยนะอจจุตตะรีเนี่ยที่อยู่นั่นแหะทางประตูที่ชุชกเนี่ยนะชุชกเข้าไปไปเห็นฤือีก่อนใช่ไหมแต่รือศีนี้ก็นับถือภาษาพระเวสสันดรมากเลยนะถึงเป็นรือศีผู้ได้ฌานแต่ก็นับถือพระเวสสันดรท่า น, นก็เป็นรือีอยู่ห้าร้อครั้งเราทรงชดาเลี้ยงชีวิตด้วยหาบคอนุน่งหม่มหนังเสือถึงที่สุดอภิญญาและก็ไปสู่พรหมโลก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 เที่ยวไปสู่รัฐที่อันผิดเที่ยวไปสู่ศึกษาในรัฐที่มิจฉาทิฐิเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไม้แก่นก็พึงตัดแต่ต้นกล้วยแล้วก็พ่าออกก็ไม่ได้แก่นแม้ในต้นกล้วยนั้นเพราะมันว่างจากแก่นชันใดคนในโลกผู้เป็นเดรัจฉีเป็นอันมากมีมิจฉาทิฐิรัฐที่แตกต่างกันก็ฉันนั้น เขาเหล่านั้นเป็นคนว่างเปล่าจากอสังคตะบทอสังคตะแปลว่าทำรรที่ดับสังคตะบทที่ดับสังคตาตรมดับชาติชรา ม, มรณะละทัทธิเหล่านั้นก็ว่างเปล่าจากอสังคตะบดเหมือนต้นกล้วยว่างเปล่าจากแก่นฉะนั้นครั้นเมื่อพบที่สุดพบสุดท้ายชาติเป็นภาษาริบุตรแล้วเราได้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหมณ์ละทิ้งพวกสมบัติเป็นอันมากแล้วออกบวชเป็นบรรพชีต ข้าพระองค์อยู่ในสำนักพรามนามว่าสันชัยซึ่งเป็นผู้เล่าเรียนทรงจำมลรู้จบตดเพศข้าแต่พระมหาวีระอันนี้เล่าให้พระองค์ฟังตอนก่อนจะลาปรินิพพานเนี่ยว่าข้าแต่พระมหาวีระพรามพรามคือพระอาหารหันต์ชื่อว่าอัศชิสาวกของพระองค์หาผู้เสมอได้ยากมีเดชรุ่งเรืองเที่ยวบินธบดอยู่ในการนั้นข้าพระองค์ได้เห็นท่านผู้มีปัญญาเป็นมุนีผู้มีจิต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 ขออภัยพระอาัศจาิก็กล่าวถึงบทเป็นเครื่องบรรเทาทุกทั้งมวลว่าเยธรรมมาหตุปปะพวาแปลว่าธทำเหล่าใดคือสังขารขันสังขารทั้งหลายขันห้าทั้งหลายเหล่าใดมีเหตุคือสมุทัยเป็นแดนเกิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุคือสมุทัยแห่งธรรมคืออุปาทานขันห้าเหล่านั้นและตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านั้นพระหมหาสมณะเจ้ามีปกติ